แล้วเดี๋ยวเวลาต่อไปนี่เราจะฟังเรื่องการปฏิบัติแล้วก็จะนำพาปฏิบัติเลยนะยอมเป็นคนชอบยอมนั่งกรรมาฐานก็ได้นานๆไหมนานไห ม, นน ไ, หม <c oughs> ไม่ค่อยนานเลย <c oughs> เดี๋ยวลองฝึกๆ ก, กันนิดๆ น, นะบางครั้งอยากจะพายมนั่งนานๆิ น, นก่ัวยมทนกันไม่ไหว <c oughs> เดี๋ยวบอกรายละเอียดก่อนเนา ะ, ะเดี๋ยวเกิมสวดมนต์บูชาพระพุทธเจ้ากันสักบทก่อนเปิดนี้เปิดไปหน้าหนะ้าสิบเนี่ยยมเนี่ยเริ่มใช้แว่นกันแล้วแล้วสาธยายบา ร, รมีสาสิบทัศนะ่ไม่ต้องดูตัวก็ได้มั้อทานาปาลามีสามปันโน ฐานาอุปาปัลามิสัมปันโนฐานาปารมาทัปปัลลัมสัมปันโนเมตตามัตรีการุณา牟ท ขปคาาลามิสัมปันโนอิติปสภะคาวัสีราปลามิสัมปันโนสีลอุปาาลามิ สัมปันโนสีลาปรมัทาบาลามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเพขาปาลามิ สามปันโนอิ e ตปิโสภาคาวะเนคขามมาปารามิสามปันโนเนคขามมาอุปปารามิสามปันโน เนคามาปรมัตถปาลามิสามปันโนเมตตามัยตรีกรุณาโมติตาอุเปคาปาลามิ สัมปันโนอิติปิโสภคกวาปารามิสัมปันโนปัญญาอุปปาลามิสัมปันโน ปัญญาปรมาตาปาลามิสามปัณโนเมตตามัตริกรุณามุธิตาอุเบขาปาลาม สัมปันโนอิติปิโสภะคะวาวิริยาปาลามิสัมปันโนเวริยาอุปาปาลามิสัมปันโน เวริยปะระมาตาปาลามิสัมปันโนเมตามัยตริการุณามุทิตาอุเกขาปาลาสัมปันโนภคว ขันติปารามิสัมปันโนขันติอุปปารามิสัมปันโนขันติอรามัทธปาลามิสัมปันโน เมตตาไมตรีการุณาโมทิตาอุเบขาปาราสัมปันโนอิติปิสุ भ ะกวาอจ p ปรามิสัมปันโน สัจจ upapanrami sampanno สัจจ p a r a m a t t h a p a n a m i sampanno เมตตามัยตรีกรุณามุติตา ภูเพคาปาลาสัมปันโนอิติปโสภะวะอาทิธานาปารามิสัมปันโนอาทิธานาอุปาปารามิ สัมปันโนอาทิทานนปะระมะธะปะละมิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปะละมิ สัมปันโนอิติปิโสภะคาวาเมตตาปาลามิสัมปันโนเมตตาอุปปาลามิสัมปันโน เมตตาปรมาถ p ปาลามิสามปันโนเมตตาไยตรีกรุณหามุทิตาอุเบกขาปาลา สามปันโนอิติปิโสภคะวาอุปเเคปปารามิสามปันโนอุปเเคอุปปาลามิสามปันโน คารามาทาปารามิสัมปันโนเมตตามัยตริการุณาโุติตาอุเปคาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวา ท่าสัปารามิสัมปันโนท่าสอ p ปปาลามิสัมปันโนท่าสัปรมาท p a ปาลามิสัมปันโน เมตตาไมตรีกรุณาโมทิตาอุเบกขาบาลามิสัมปันโนอิติปิโสบคาวัติพุทธังสาราชจา เ, เดี๋ยวต่อไปจะศึกษาแล้วก็ปฏิบัติกันในเรื่องการเจริญอาณาปณสติแต่ก่อนที่จะเจริญอาณาปณสติเนี่ยพูดถึงในเรื่องของอาณาปณสติให้เราทั้งหลายได้เกิดความอาหารล่าเลิงสักเล็กน้อยเนาะมีพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้า บอกกล่าวเขาไว้ว่ากรรมฐานเนี่ยมีหลายอย่างแต่กรรมฐานที่พระเจ้าทรงสแสดงแล้วก็ยกมาค่อนข้างมากเนี่ยก็คือวิธีการเจริญสมาธิเป็นการปฏิบัติได้สะดวกโดยเฉพาะก็คือการใช้ลมหายใจเข้าแล้วออกเนื่องจากลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยมันเป็น ธรรมชาติที่อยู่ในตัวตนของมนุษย์หรือของสัตว์โลกทุกชนิดนะที่ยังมีลมหายใจอยู่ฉนั้นใช้ถ้วได้ทุกเวลาทุกสถานที่ในทันทีที่ต้องการไม่ต้องตับตดเตรียมวัตถุอุปกรณ์นะการเจริญอาณาปณะสติเนี่ยไม่ต้องเตรียมวัตถุอุปกรณ์ใดๆเพราะไปที่ไหนลมหายใจก็ตามเราไปด้วยี่ตรงเนี้ยไม่เหมือนกรรมฐานอื่น ก็มาทำในอื่นยกตัวอย่างเช่นไปเจริญกะสินเนี่ยนะจะต้องไปหาดินหาน้ำเป็นต้นเหล่านี้มาทำเป็นรูปวงกลมเป็นต้นหรือไปหาสีแดงนสีขาวก็ว่าไปแต่อนาปานสติเนี่ยปฏิบัติง่ายไม่ต้องใช้ความคิดอะไรเบื้องต้นเนี่ยนะเพียงเอาสติเนี่ยคอยกำหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกให้สังเกตดูไหมคาว่าอนาปานสติเนี่ย เป็นการเจริญสติแต่ไม่ใช่เป็นการเจริญลมนะหลายๆคนไม่ใช่ว่าเออเรามาเจริญอานาปนานสติเนี่ยเรามาฝึกหายใจไหมช่เพราะลมหายใจเนี่ยมีอยู่ไหมมันมีอยู่แล้วเป็นธรรมชาติและหลายๆคนที่นั่งกันอยู่ตรงนี้หลายหลายคนจะไม่รู้ว่าตนเองเป็นคนที่หายใจเบาหรือหายใจแรงก็ไม่ค่อยรู้หรอกและตนเองหายใจยาวหรือสั้นก็ไม่ทราบ แต่การเจรอาณาปาัญสติเดี๋ยวที่สุดจริงๆก็จะรู้จักฉลาดในชีวิตนตนเองฉลาดในการที่จะใช้สติในการที่จะกำหนดรู้ลมเนี่ย <Yeah. S 1> เป็นกรรมฐานที่สะดวก mm hmm. เมื่อเจริญกำลังเป็นสมาธิแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็จะง่ายต่อการที่จะไปเดินกรรมฐานอื่นทีนี้พอเริ่มลงมือปฏิบัติเนี่ยก็ได้รับผลตังตีตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะเช่นก็คือว่า เวลาจเจรนาณาปนสติเนี่ยพอเริ่มกำหนดใช้สติในการดูลมมันจะเริ่มได้ผลและจะเห็นผลทันทีในขณะที่กาลังทำเลยทีเดียวก็หมายความว่ากาลังของสติที่เอาไประลึกเอาไปเจริญเนี่ยมันจะค่อยชัดขึ้นหมายถึงสติจะเริ่มมีกาลังมากขึ้นมากขึ้นทีนี้การจเจรนอานาปนสติเนี่ยสิ่งที่พึงจะได้เบื้องต้ น, นจริงๆเนี่ยหนึ่งต้องได เบื้องต้นเลยนะต้องได้พลังของปลาโมดก็คือความชื่นฉ่ำใจความอิ่มใจเบื้องต้นเนี่ยต้องได้ความชื่นฉ่ำใจความอิ่มใจสภาพที่จิตไม่มัวหมองจิตไม่เศร้าซ้อยจิตไม่เหงาหงอยเนี่ยเป็นสภาพจิตที่เบิกบานเบื้องต้นเนี่ฉะนั้นจะต้องทําตัวพลังของกุศลเนี่ยให้เกิดขึ้นเมื่อกุศลเกิดขึ้นก็นจะมีลักษณะที่เบิกบาน แล้วก็ลักษณะเอิบอิ่มนะลักษณะของการเจริญอานาปนสติในเบื้องต้นที่จะต้องได้ก็คือปรามโมทเพราะว่าและการเจริญอานาปนสติเนี่ยเป็นผลดีต่อสุขภาพด้วยมีพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าแสดงเข้าไว้เมื่อเราอยู่ในวิหาราธรรมพระพุทธเจ้าบอกเมื่อเรานั้นอยู่ในวิหาราธรรมคืออยู่ในอานาปนสติวิหาร อานาปนาสติวิหารก็คือการอยู่ในลมหายใจเข้าและหายใจออกเมื่อกำลังอยู่หรือใช้สติกาหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกมากๆ ก, กายก็ไม่เมื่อยเห็นไหมกายทั้งหมดรูปกายทั้งหมดไม่เมื่อยเลยเส้นเอ็นทุกเส้นก็ไม่เมื่อยไม่ตึงก็จะผ่อนคลายฟโฟมหมดเลยในร่างกายนี่นะ เมื่อเราอยู่ในอาณาปานาสติหมายถึงวุฒิยาบอกกายก็ไม่เมื่อยตาก็ไม่เหนื่อยบางคนเนี่ยเห็นไหมเราต้องใช้สายตาเราต้องใช้อะไรต่างมันล้าหมดนะมันเหนื่อยตามันล้าแต่ถ้าจเจริญอาณาปานาสติแล้วเนี่ยกายก็ไม่เมื่อยตาก็ไม่เหนื่อยและไม่เหมือนกรรมฐานอื่นๆนะ เช่นกรรมฐานอื่นๆต้องอาศัยการยืนต้องอาศัยการเดินต้องอาศัยการเพ่งต้องอาศัยการจ้องแต่ตรงกันข้ามอาณาปานสติกรรมฐานนี้กลับเกื้อกูลแก่สุขภาพช่วยให้ร่างกายได้เป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดในโลกไม่มีกรรมฐานใดๆที่จะทำให้มีการพักผ่อนที่ดีที่สุดเท่าอ า, า, านาปานสติฉะนั้นอาณาปานสติคือการใช้สติในการกาหนด ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยเป็นกรรมฐานที่เป็นการพักผ่อนยมต้องมานาสิการแล้วใส่ใจแล้วก็ตั้งความรู้สึกในใจว่าอ๋อจริงๆการเจริญกรรมฐานคือการพักที่ดีกว่าการนอนที่ดีกว่าการไปเที่ยวสนสนุกที่ดีกว่าการไปเที่ยวตามทะเลตามป่าเขาแนวป่าแต่เป็นการพักที่ดีที่สุดในโลก พอยิ่งจเจริญไปแล้วเนี่ยกายก็ไม่เมื่อยตาก็ไม่เหนื่อยจิตก็ผ่อนคลายจิตก็ไม่ถูกกามสวะกุ้มรุมคืออาสวะคือกามไม่ถูกภวาสวะกุ้มรุมคือความอยากได้ติดใจในพบไม่ถูกทิฏฐานสวะกุ้มรุมคือความเม้นผิดไม่ถูกโมหะอวิชชาสวะก็คือความมืดบอดกุ้มรุมเห็นไหมว่าจริงๆก็คือว่า การเจริญอาณาปณสติเนี่ยเป็นกรรมฐานที่เกื้อกูลต่อสุขภาพคือกายแล้วก็จิตด้วยสรุปก็คือรูปกายรูปขันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดเลยนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดไ่ใหญ่ไ่น้อยเป็นต้นเหล่านี้นะร่างกายทุกส่วนก็จะไม่ก็จะก็จะเบาหมดไม่เมื่อยเลย สุขกับเกื้อกูลต่อคุณภาพชีวิตทั้งหมดแต่มีข้อแม้ว่าต้องได้กำลังของกุศลสติตั้งมั่นนะถ้านั่งหลับจะไม่ได้ความเกื้อกูลตรงนี้กายก็ไม่เมื่อยตาก็ไม่เหนื่อยเนี่ยต้องห้ามหลับหรือฟุง้งถ้าหลับและฟุง้งเนี่ยไม่เรียกว่าเป็นการพักผ่อนฉะนั้นกาลังของสติต้องมีพลังมากๆ แล้วก็ต้องอยู่กับลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าอย่างติดต่ออย่างต่อเนื่องสม่าเสมอเรียบเป็นไปด้วยดีนั่นคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดในโลกเกื้อกูลต่อสุขภาพคุณภาพของชีวิตดีกว่าการนอนเป็นสิบสิบชั่วโมงนี่เป็นอย่างนี้สนใจไห้เล่านี่พุทธพจน์บอกว่าอย่างนี้นะต่อไปบอกว่า ทีนี้การหายใจเนี่ยเพราะว่าในขณะนั้นเป็นการพักผ่อนที่ดีเพราะอะไรเพราะระบบการหายใจเนี่ยที่ปรับให้เรียบเสมอประณีตด้วยการปฏิบัติกรรมฐานนี้ช่วยส่งเสริมคุณภาพหรือสุขภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดัง น, นั้นลมหายใจจะเสมอสม่าเสมอยิ่งละเอียดเท่าไหร่ลมหายใจสม่าเสมอเรียบไม่มีกระตกเข้ากระตกออกเลยนะจะมีการเดิน ลมหายใจจะเรียบสม่ําเสมอเนี่ยลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าไม่มีการพุทธพัดพุทธพัดนะปกติเนี่ยลองสังเกต ด, ดูนะชีวิตของเราเนี่ยลมหายใจเดินไม่เสมอเดินไม่เรียบไม่ไม่เนี่ยแต่สังเกตบางคนลมหายใจจะออกยาวกว่าเข้าบางคนเข้ายาวกว่าออก บางคนเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวช้าเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวช้านี้คือสภาพของลมหายใจไม่เรียบและไม่สม่ำเสมอไม่ไม่ไม่เป็นไปอย่างสะดวกไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่องคุณภาพชีวิตจะไม่ดีกลุ่มคนประเภทนี้แต่คนที่ฝึกในการเจริญอาณาปณสติแล้วเนี่ยยิ่งฝึกไปนะต่อไปลมหายใจจะเดินเรียบออกเข้าก็เรียบจะเป็นอย่างนี้แหละ ยังโยมนี่เนีเคยเป็นเวลานั่งกรรมฐานาเนี่ยบางคนก็สับประงกไปข้างหน้า ส, สับประงกสับประงกไปข้างหน้าเนี่ยรู้เลยในยระบบลมหายใจมีปัญหาบางคนก็พังหะไปข้างหลังพังหะไปข้างหลังนั่งนั่งไปสะพานเป็นไหมเนี่ยลมหายใจมีปัญหาเพราะระบบลมหายใจเข้าและลมหายใจออกไม่บาลานซ์กันไม่สมดุลแต่ถ้าหากจเจริญอาณาปณสติไปแล้วต่อไปจะเรียบและสม่ําเสมอทั้งเข้าและออก แต่ไม่ต้องไปฝืนนะนี่พูดให้ฟังแต่เมื่อกำลังของสติกำลังของสมาธิเป็นไปอย่างติดต่อเป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นไปอย่างราบเรียบไม่ซัดสายเรียบนิ่งสงบเมื่อไหร่แล้วลมหายใจจะปรับไปตามคุณภาพของจิตนั้นนั้นเพราะลมหายใจนั้นเกิดจากจิตเนี่ยเนี่ยต่อไปคุณภาพชีวิตจะดีอันนี้เบื้องต้นเลยที่เห็นเห็นสดๆเลยเนี่ยนะ กุศลจิตเกิดได้ติดต่อต่อเนื่องและคุณภาพชีวิตจะดีสุขภาพจะดีด้วยนี่เราได้การรักษากายรักษาจิตแล้วในเบื้องต้นฉะนั้นคอให้นึกอย่างง่ายๆนะเวลาเราวิ่งลงจากที่สูงเวลาเราวิ่งลงจากที่สูงเนี่ยและกำลังเหนื่อยหรือกำลังตื่นเต้นหรือตกใจเคยเป็นไหม เกรียวกราดเคยกลัวเคยโกรธไหมไแลาโกรธก็ดีเรากลัวก็ดีเนี่ยเราให้ใจของเราหยาบไหมหยาบแล้วก็แรงกว่าปกติบางทีจะูกไม่พอให้ใจใช่ไหมต้องช่วยอะไรต้องเอาออ ก, ออกทางไหนต้องให้ปากช่วยหายใจด้วยตรงเนี้ในทางตรงกันข้าม คนที่กายผ่อนคลายคนที่ใจสงบสบายลมหายใจก็จะละเอียดประนีตกว่าคนปกติงั้นการบำเพ็ญหรือการเจริญอาณาปณาสาติช่วยทำให้กายใจเนี่ยสุขสงบกายใจสุขสงบแล้วก็ลมหายใจก็ละเอียดประนีตลงไปเรื่อยๆืๆ่อๆบางทีจนถึงหนาดนึกว่าตนเองไม่มีลมหายใจ ขนาดนั้นเลยเนะ้อฉะนั้นอย่าอย่าเผลออย่าหลับในเวลาทำเนี่ยเวลาจเจริอานาปนาสติอย่าเผลออย่าหลับจนถึงแทบเวลาเวลานั้นเนี่ยเวลาที่เราจเจรอาณาปนาสติเนี่ยร่างกายของเราจะใช้พลังงานน้อยที่สุดใช้พลังงานน้อยมาก จนรู้สึกเป็นการพักที่ดีที่สุดคนไม่ฉลาดกันนะที่ไม่เจริญอาณาปณสติเนี่ยถ้าฉลาดจะเจริญอาณาปณสติเพราะเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดอย่าลืมว่าท่านนั่งหลับไม่เรียกว่าเจริญอาณาปณสติแล้วจะไม่ได้คุณภาพชีวิตกายก็จะจะไม่หายเมื่อยตาก็จะไม่หายเหนื่อย คนนั่งหลับนี่นะนั่งสงก ห, หลับหรือฟุ้งเนี่ยจะไม่ได้อะไรแต่ถ้าได้สติกำหนดติดต่อต่อเนื่องแล้วจะได้คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นการพักผ่อนงั้นคนจเจริญานาปนาสติเวลาไปนอนจริงๆริงนอนนิดเดียวก็อิ่มเลยจะไม่ต้องใช้กรรมการนอนมากเหมือนคนอื่นก็เลยบางคนนี่นอนหกชั่วโมงเจดชั่วโมงปดชั่วโมงก็ไม่พอนะเพราะอะไรรู้ไหม เพราะมันไม่ได้พักจริงแล้วดิ้นซัดใจนอนก็เกร็งเวลานอนก็ไปในะหลับเก็งอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้คลายอะไรเลยร่างกายแต่ถ้าจเจริญอาณาปณะ น, นี่มันจะผ่อนหมดเส้นทุกเส้นนี่เนะียผ่อนคลายหมดเลยทีนี้และอาณาปณะสตินี่แหละมีพุทธพจน์เสริมบอกว่าเพราะฉะนั้นแหละหากภิกษุหวังว่าภิกษุเนะ ถ้าเธอปรารถนาจะบรรลุปฐมฌานถ้าเธอปรารถนาหวังว่าจะบรรลุทุติยฌานถ้าเธอหวังว่าปรารถนาจะบรรลุตัตยฌานถ้าเธอหวังว่าจะบรรลุจตุตฌานก็พึงมณสิการนาปนสติสมาธินี่แหละให้ดีเห็นไหมเห็นไหมถ้าปราถนาจะทําให้จิตของเรานั้นเป็นปฐมฌานทุติยฌานตัตยฌานจตุตฌานจนถึงฌานที่สี่ พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเธอปรารถนาจะเข้าถึงราดับฌานที่หนึ่งสองสามสี่ก็ให้มนาสิกการให้เจริญอาณาปนานสติสมาธินี่แหละให้ดีเชื่อพระพุทธเจ้าไหมเชื่อไม่เชื่อเอาเลยตอนนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้และหากภิกษุหวังว่าเรานะจะพึงได้ อากาสานัญจายาตนะพึงได้วิญญาณัญจายาตนะพึงจะได้อากินจัญญายาตนะถ้าพึงหวังจะได้เนวะสัญญานาสัญญายาตนะซึ่งเป็นอรูปฌานก็ให้มนสิการอานาปานาสติสมาธินี่แหละให้ดีดูสิเนี่ยไปอรูปฌานอีกสี่ด้วยนะหากภิกษุหวังว่า เราจะได้เข้าสัญญาเวทยิตานิโรธนะหวังว่านะก็พึงมานาสิกาอานาปานสตินี่แหละให้ดีเอาเลยสิทนี้ฉะนั้นอานาปานสติสมาธิในที่นี้เลยได้ทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน เป็นทั้งสมถะกรรมฐานใช่ไหมเพราะคนที่จะได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเจตุทะฌานคนจะได้ได้อรูปฌานทั้ง4ี่นี่เป็นสมถะกรรมฐานก็อาศัยอานาปณะสตินี่แหละผู้เจ้าบอกว่าให้ดีและถ้าจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่จะเป็นฐานกับการเข้าพระสมมาบัติก็ดีเข้านิโรธาสมมาบัติก็ดีเนี่ยก็เจริญอาณาปณะสติสมาธินี่แหละให้มดีและทําให้ดีทําให้มากที่สุดจริงๆเลยเป็นทั้ง สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ด, ดีไหมดีไม่ดีเอาแล้วนะตอนนี้นะอยากรู้ไหมว่าหลักฐานอยู่ที่ไหนไปดูในคำพีสังยุตอา้าวยอมถามมานะยอมอยากทราบว่าเป็นวิปัสสนากรรมฐานด้วยคือ <c oughs> อย่างนี้โยม เอาเวลาบุคคลที่มานันสการเป็นจเจริญอาณาปณสติสมาธิพอจเจริญอาณาปณสติสมาธิแล้วยังสมาธิให้ตั้งขึ้นมีอุปจารสมาธิและอั ป, ปนาสมาธิตั้งขึ้นพอได้อั ป, ปนาสมาธิแล้วใช้ตัวอั ป, ปนาสมาธิเป็นฐานเป็นฐานตั้งแล้วใช้สมาธิเหล่านั้นแหละเป็นฐาน เมื่อเป็นมีสมาธิเหล่านั้นเป็นฐานแล้วเนี่ยเดินต่อไปก็เดินวิปัสสนาญาณต่อเพราะมีพลังอะไรมีพลังของสมาธิก็อุปมาอุปมัยตัวพลังของสมาธิเนี่ยเหมือนกำแพงเอ่อถ้าสมัยโบราณเนี่ยนักรบเนี่ยเขาจะมีกำแพงเมืองยอมก็เห็นนะเป็นกำแพงเมืองแล้วจะมีประตูออกไป บ้านเมืองก็จะเป็นนั้นเหมือนสมัยยุทธยาก็จะเป็นอย่างนี้แหละก็จะมีประตูประตูชั้นในประตูชั้นนอกไอประตูชั้นนอกเนี่ยก็จะมีกําลังทหารล้อมอยู่ทีนี้พอมีข้าศึกศัตรูมาล้องประกาศทาลอบนะทาลอบก็จะออกก็จะออกจากประตูชั้นนอกเนี่ยออกไปลอบกับศัตรู ทีนี้พอรบแล้วรบกันยังไงก็ยังไม่รู้แพ้ยังไม่รู้ชนะก็ถอยล้นถอยล่นก็นมาเข้ามาแล้วก็ปิดประตูแล้วเข้ามาพักผ่อนเข้ามาพักผ่อนียาบทกินน้าอาบน้ำกินอาหารพักผ่อนพอมีแรงออกใหม่ก็เปิดประตูออกไปสู้รบกรับศัตรูข่าศึกใหม่เข้าใจใช่ไหมทีนี้กำลังของสมาธิเนี่ยเป็นตัวพักเวลาที่ ต้องการจะเข้ามาพักเพื่อให้พลังมีพลังเยอะๆในการที่จะไปไปเจริญวิปัสนาญาณ น, นี่นะเขาจะถอยล่อนออกมามาเข้าสมาธิเช่นเข้าอุปจัเข้าอัปนาสมาธินี่หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงพอหลังจากนั้นออกจากสมาธิแล้วก็เดินวิปัสนาญาณต่อในการเดินวิปัสนาญาณต่อนั้นเหมือนการไปสู้รบกับศัตรูกับกิเลสนั่นแหละ เหมือนกันนี่มันกันเวลาท่านออกจากสมาธิเบสเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็ไปวิจัยเบื้องต้นจริงๆท่านวิจัยรูปประทักขันก่อนบางทีท่านก็วิจัยนมามธรรมทีนี้เอาวิจัยรูปประขันก่อนไปวิจัยพวกธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมเป็นต้นหรือผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นวิจัยกลุ่มรูปธรรม ท, ทั้งหลายจนสามารถใช้ยานปัญญาเนี่ย ไปเจาะทะลุทะลวงเห็นความเป็นจริงของรูปธรรมเมื่อเจาะทะลุทะลวงรูปธรรมเห็นตามความเป็นจริงของรูปธรรมเบีดเสร็จแล้วก็ไปเจาะทะลุทะลวงกลุ่มนามธรรมทั้งหลายที่เป็นกระบวนการของความคิดที่เป็นกลุ่มของโลภะเป็นยังไงโทสะเป็นยังไงโมหะเป็นไรกลุ่มกุศลเป็นยังไงก็สามารถไปแยกแยะทั้งกลุ่ม รูปธรรมและนามธรรมแยกออกได้นี้เป็นกลุ่มของรู ป, ปรขันนี่เป็นกลุ่มของเวทนานี้เป็นกลุ่มของสัญญานี่เป็นกลุ่มของสา ร, ข, าส ข, ารขันสารขันนี้เป็นกลุ่มของวิญญาณขนันทีนี้พอไปวิจัยไปวิจัยมาเนี่ยญาณปัญญามันเริ่มล้าขึ้นมาท่านจะจะถอยกลับมาเข้าสมาธิใหม่เพราะงานในการวิจัยไม่เสร็จพอเข้าสมาธิสักชั่วโมงหรือสองชองั่วโมงท่านก็ออกจากสมาธิไปวิจัยต่ออีกเข้าใจไหม วิจัยจนสามารถใช้ญาณปัญญาไปเจาะทะลุทะลวงจนเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์แล้วก็พิจารณาอันนีจังทุกขังอานาตาเป็นต้นแล้วก็ถอนขุดลากกิเลสได้ที่สุดจริงๆก็บรรลุมากผลอย่างที่พูดอย่างย่อๆนีนจะเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ใช่จ้ะ อยู่ในอนาปานสตินะเรียกว่าพักเรียกว่าพักออกจากอนาปานสติแล้วมาเดินวิปาาัสนาญาณอันนี้คือกำลังวิจัยใช้ญาณปัญญาเขาไปวิจัยติดต่อเลยติดต่อเลยนี่แหละอนาปานสติเป็นฐานของวิปาาัสนาญาณและมากไปกว่า น, นั้นก็คือพอ เข้าสมาธิระดับอนาปานสติถอยออกมาเสร็จไปวิจัยเลยนะโยมนะวิจัยกําลังฌานในอนาปานสติเลยไปวิจัยวิตกวิจารณ์ปีติสุขเวทนาเอกะคะตาเนนั้นแหละวิจัยนามธรรมเหล่านั้นเห็นตามความเป็นจริงแยกแยะรายละเอียดในกลุ่มของฌานเหล่านั้นได้ว่าไอ้กลุ่มนี้เป็นเวทนาเนะีกลุ่มนี้เป็นสัญญาเนะีกลุ่มนี้เป็นสังขารกลุ่มนี้เป็นวิญญาณแล้วกลุ่ม นี้เป็นรูกปธรรมนะที่ฌานะาสมาบัติอาศัยอยู่วิจัยจนละเอียดละอแทงตลอดสัจจะตรงนั้นได้ด้วยขนาดนั้นเลยก็นี่หลยเห็นไหมว่าอาศัยการเจริญอาณาบรรพติก็วิจัยฌานในอาณาบรรพติแต่ละฌานเลยเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานวิจัยให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของปฐมฌานเข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌานมาก็วิจัยทุติยฌานโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา และทาที่ประกอบกับองค์ฌานนั้นด้วยวิจัยเหล่านี้ทั้งหมดเลยแยกแยะรายละเอียดจนกิเลสไม่ฉาบติดเลย <c oughs> นี่แหละอานาปนาสตนิเป็นเป็นทั้งสมถะเป็นทั้งวิปัสนาญาณได้อาจไม่ <c oughs> พูดย่อไปนิดนะแต่พอจะรู้แนวนะเออแนวเป็นไปในลักษณะอย่างนี้แหละ <c oughs> ฉะนั้นอานาปนาสติเนี่ยเป็นทั้งสมถะคือทาให้สงบแนบ แนวดิง่งราบเรียบไม่ซัดสายกำหนดหมายจะอยู่ในลมหายใจนั้นกี่ชั่วโมงตามกำหนดได้แล้วออกมาก็สามารถเข้าไปวิจัยตัวกำลังของสมาธินั่นแหละไปแยกแยะองค์ประกอบของสมาธิได้ทั้งหมดเลยว่าในองค์ประกอบของสมาธิของจิตที่ตั้งมัน่นมีอะไรเป็นองค์ประกอบมีสภาวธรรมอะไรเกิดร่วมบ้าง และก็เข้าไปเห็นประจักษ์ชัดแจ้งตามความเป็นจริงประดุดดังตาเนื้อเหมือนเห็นแก้วมันีบนฝ่ามือเห็นขนาดนั้นนะประดุดดังเห็นแก้วมันีบนฝ่ามือก็ไปแยกแยะรายละเอียดละออได้และวในส่วนจริงก็จะสามารถไปแยกแยะตัวสภาวะชานามธรรมเหล่านั้นว่าอาศัยหัตถยัตถุเกิดวิจัยหัตถยัตถุวิจัยก ร, รัชกายทั้งสิ้นแล้วก็แยกแยะละเอียดละออจนไม่ติดข้องเลย ไม่ติดข้องทั้งรูปธรรมและนามธรรมเหล่านั้นที่สุดจริงๆก็ยกรูปธรรมและนามธรรมเหล่านั้นว่าเออรูปธรรมนามธรรมเหล่านี้มีอะไรเป็นเหตุมีปัจจัยก็สามารถเข้าไปรู้เหตุปัจจัยตามความเป็นจริงแล้วก็ยกทั้งเหตุปัจจัยแล้วก็ตัวผลเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยให้เห็นด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ยังไงเห็นไหมว่าปัญญาที่ผ่านจากการเจริญ อนาคนาสติจะเป็นปัญญาที่คมชัดลึกแล้วก็แทงตลอดอดไ อ, นนอไม่ต้องออเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือท่านได้อยู่แล้วเมื่อเมื่อฝึกจนสามารถได้ปฐมฌานได้ทุติยฌานได้ตาติยฌานได้จจตุทะฌานเป็นต้นเหล่านี้แล้วเนี่ยฌานเหล่านี้ก็สามารถเป็น อารมณ์ของการเจริญวิพพ า, านญาณได้บนลึกและชาณามธรรมเหล่านั้นด้วยพร้อมทั้งรู ป, ปรธรรมทั้งหลายที่ชาณามาธรรมเหล่านั้นอาศัยอยู่ก็เป็นอารมณ์ของวิปัสาานาญาณได้บนนี่แหละมาจากสายอานาปนสติกยากไหมคนข้างยากดูลมหายใจเข้าออกยากไหม อ๋อคืออย่างนี้อย่า ก, กังวลขอให้ได้อานาปัญสติก่อนโอให้ได้อานาปนาัญสติแล้วเรื่องนี้จะไม่เรียกว่ายากตอนนี้ที่ยากเพราะเรายังไม่ได้สมาธิในอนาปนาัญแค่นี้เองเห็นไหมตอนนี้เรายังไม่อย่าไปกังวลเรื่องตรงนั้นอย่าไปกังวล เออถามดีเดี๋ยวตอบให้ฟังที่จริ ง, รงว่าวานเนี่ยมาพูดเรื่องนางวิสาขาไม่ได้ฟังรือคืออย่างนี้อานาปานสติเนี่ยเป็นเป็นประธานกรรมฐานทั้งปวงในบรรดากรมรมฐานทั้งหมดเนี่ยอานาปานสติสมาธิเนี่ยเป็นประธานของกรรมฐานเหล่านั้น ทำไมจึงเรียกว่าเป็นประธานยอมว่าเมื่ออาณาปณะสติกรรมฐานเป็นประธานเป็นกรรมฐานหลักของกรรมฐานทั้งปวงยอมว่าเป็นกรรมฐานที่สำคัญไหมเมื่อเจริญอาณาปณะสติกรรมฐานแล้วสามารถที่จะไปเดินกรรมฐานอื่นได้สะดวกและคล่องได้หมดเลยนี่นี่คือเหตุผลนี่เป็นพนนี่เป็นเป็นคำสอนที่ทรงชี้บอกไว้ และที่บอกว่าอานาปนสติเนี่ยเป็นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าพระประเจกพรพุทธเจ้าและพุทธสาวกทั้งปวงเนี่ยบรรลุบรรลุเนี่ยเอานี้ก็เป็นพุทธพุทธอีกเออนี่เป็ น, เ ป, นเป็นคำสอนที่บอกชี้ประเด็นไวอ้อีกเดี๋ยดูก่อนเนี่เดี๋ยดูเดี๋ยดูเดดอามายกประเด็นตรงนี้ให้ฟังนิดนึง ระยอมจะได้ไม่หนักใจพิสูจทั้งหลาย น, นี้กล่าวไว้ในพระวินยัยวิบดกบอกพระพุทธเจ้าแสดงพุทธพจน์บอกว่าเอพระพุทธเจ้าสรรเสริญมากเลยนะเป็นสมาธิที่พระเจ้าสรรเสริญมากสนับสนุนบ่อยครั้งมากให้ภิกษุให้ภิกษุณีให้บาสกหรือบาสิกานะั้นปฏิบัติบอกว่าภิกษุทั้งหลายคําว่าพิสูุทั้งหลายนี่รวมถึงพวกเราไหมถึงไม่ถึง ถึงไม่ถึงเอาใครว่าไม่ถึงยกภิกษุนี่แปลว่าภิกษุนีด้วยไหมอุบาศกด้วยไหมอุบาสิกาด้วยไหมนั่นแหละแต่ยกใครเป็นประธานยกภิกษุเป็นประธานนั้นท้านถ้าไปเจอพุทธพจน์ที่ไหนนะ่ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายนะกระเทือนถึงพวกเราด้วยเหมือนคำว่าพระราชาสเสด็จมาอง์เดียวไม อมาดมาด้วยราชบริพานตามเสด็จด้วยชั้นใดนี่ก็บอกเหมือนกันพิสษุ์ทั้งหลายอาณาปานสตินี่แหละเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นสภาพสงบประณีตสดชื่นเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขและยังกุศลธรรมยังอกุศลธรรมที่ชั่วร้ายที่เกิดขึ้นแล้ ว, ลวนั่นให้อันตรธานสงบไปโดยพันถามว่าใครที่บาปเกิดบาปกุ้มรุมมาก บาปกุ้บรุมในใจเยอะเดี๋ยวก็ความโลภเดี๋ยวก็ความโกรธเดี๋ยวก็ความหลงเดี๋ยวก็เห็นผิดเห็นถูกเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันสลับอยู่เนี่ยกุ่มเอ้ยง้อยเหงาเศร้าซึมเอ้ซึมซึมซึมซึมเนี่ยนะนี่แปลว่าบาปอกุศลธรรมชั่วร้ายเกิดในใจเยอะพระเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายอุบาสกไบสิกาทั้งหลายนั่นแหละรวมถึงพวกเรานั่นแหละ อาณาปานาสติสมาธิที่พวกเธอจเจริญแล้วก็ทำให้มากแล้วจะยังบาปอากุศลธรรมอันชั่วลายที่เกิดขึ้นแล้วแล้วให้สงบไปโดยพลันเหมือนฝนใหญ่ที่ตกในสมัยไม่ใช่ฤดูกาลยังปุ่นละอองที่ฟุ้งขึ้นให้สงบอย่างรวดเร็วฉันนั้นสนใจไ้ยเล่าฉะนั้นถ้าใครประเภทที่บาปเกิดเร็ว เห็นปุ๊บก็กำนัดยินดีเห็นปุ๊บก็ขัดเคืองเห็นบางทีก็หงอยเหงาเศร้าซึมบางทีกฟ็ฟุ้งซ่านบางทีก็ลังเลสงสยัยอันนี้แปลว่าเราเนี่ยเป็นคนบาปเกิดง่ายฉะนั้นถ้าพวกเธอเป็นแบบนี้อาการทางใจเป็นอย่างนี้มีโรคจิตแบบนี้หรือข้อพายมีโรคใจแบบนี้ให้จเจริญอาณาปานสติสมาธิและเมื่อเธอจเจริญอาณาปานสติสมาธิกระทาแบบนี้ให้มากให้ติดต่อให้ต่อเนื่องแล้ว บาปอาักเสบธรรมอันชั่วร้ายที่เกิดขึ้นบ่อยๆเกิดขึ้นแล้วเราเล่ า, ลาจากสงบไปอย่างรวดเร็วเหมือนฝนใหญ่ที่ตกในฤดูฝนเนี่ยเออที่ตกในฤดูร้อนเนี่ยเนี่ยตอนนี้เขาฤดูหนาวฤดูร้อนเนี่ยฝนใหญ่ฝนหาใหญ่ที่ตกลงมาเนี่ยฝุ่นละอองมันเยอะถ้าฝนหาใหญ่ตกฟูดลงไปตกปุ๊บปุบลงไปเนี่ยฝุ่นจะหายไหมฝุ่นละอองหายสงบราบเรียบนี่เหมือนกัน กิเลสในใจที่ฟุ้งขึ้นมากๆต้องใช้อานาปนานสติถึงจะสงบถึงจะสงบนี่พระพุทธเจ้ากล่าวบอกไว้ว่าถ้าเธอมีอาการอย่างนี้ให้เจริญอาณาปนานสติสมาธิซึ่งเป็นกรรมฐานหลักเป็นประธานกรรมฐานทั้งปวงเนี่ยแล้วกิเลสจะได้สงบได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องไปทําอย่างอื่นแค่เจริญอาณาปนานสติก็สงบราบเรียบแล้วก็ ไปโดยพันยอย่างนั้นเาต่อไปภิกูตทั้งหลายเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวพึงกล่าวถึงอาณาปณะสติสมาธิว่าเป็นอริยวิหารเป็นธรรมเครื่องอยู่ของพระอริยะยห็ไหมถามว่าพระอริยะท่านมีอะไรเป็นเครื่องอยู่ก็อาณาปณนสติสมาธินี่แหละเป็นพรหมวิหาร เป็นธรรมเครื่องอยู่ของผู้ประเสริฐนั้นใครอยากจะเป็นคนประเสริฐ <_ C> ก็ฝึกอานาปนสตินี่แหละเป็นธรรมเครื่องอยู่ของผู้ประเสริฐตอนนี้เราประพืชพรหมจันทร์ใช่พรหมไหมจันยะจันยาเนี่ยคือความข้อประพฤติอันประเสริฐพรหมเนี่ยคือประเสริฐเนี่ยทำเครื่องอยู่ของผู้รนนรประเสริฐหรือทำเครื่องอยู่ของผู้ประพฤติพรหมาจาันทร์ อาณาปานสติสมาธินี่แหละเรียกว่าพรหมวิหารก็คือว่าเป็นธรรมเครื่องอยู่ของผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นตถาคตวิหารเป็นธรรมเครื่องอยู่ของพระตถาคตของพุทธเจ้าเอาละสิเราเป็นพระริยะไหมเป็นไม่เป็นเนี่ยพวกเรานั่งกันอยู่เป็นภระริยะหรือเปล่าไม่ได้เป็นเราเป็นพระพุทธเจ้าไหม ไม่เป็นเราเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ไหมตอนนี้แล้วมีเครื่องอยู่ไหมถ้าเนี่ยอาณาปณสติสมาธิเนี่ยเป็นธรรมเป็นเครื่องอยู่ฉะนั้นให้พักผ่อนให้พักอยู่ด้วยอาณาปณสติสมาธิเพราะนี้คือเป็นกรรมฐานเป็นธรรมเครื่องอยู่ของผู้ประพฤติพรหมจรรย์เชื่อพทธเจ้าไหมเลาเออหนี่บางคำให้เชื่อ อันนี้เป็นพุทธพจน์ที่บอกให้ทําไม่ใช่อัตมาบอกนะแต่พระพุทธญาณบอกให้ทําถ้าอย่างนั้นเธอจะไม่มีเครื่องอยู่จะไม่มีเครื่องพักจะไม่มีเครื่องอยู่จะไม่มีที่อยู่เราไม่มีที่อยู่ไม่มีเครื่องพักใจกันเลยนะเนี่ยที่นั่งๆกันอยู่เนี่ยไปทั่วเลยคิดถึงตรง น, นั้นคิดถึงตรง น, นี้จิตของเราไปทั่วเลยใช่ไหมเนี่ยก็เรียกยังว้าเวยังไม่มีที่พึง่งเอาสิมาเจริญอาณาปณสติที่จะได้มีที่พัก เขารียกมีวิหารธรรมทำเป็นเครื่องอยู่น่าชื่นใจไหมเราได้กรรมฐานได้ที่อยู่แล้วเป็นอะไรนะแต่ฐาคตวิหารเป็นอริยวิหารเป็นพรหมวิหารทำเครื่องอยู่เราอยากเป็นผู้ประเสริฐไหมก็เราเป็นเราบอกว่าเองเรามาประพฤติพรหมจรรย์เราถือพรหมจริยานี่ถือพรหมจรรย์นี่ เมื่อถือพระองค์มาจารย์นนี้เป็นรูปแบบแต่ถ้าเธอต้องการอยากจะมีทาเป็นเครื่องอยู่เธอต้องเจริญอาณาบรรณสตินะถ้างนั้นเธอจะเป็นคนไม่มีที่อยู่ไม่มีเครื่องอยู่ไม่มีเครื่องอาศัยมันมีแต่ที่นอนอยู่นี่แหละแต่ที่ใจเราไม่มีที่พักนั้นอนาณาบรณสตินี่เป็นทาเป็นเครื่องอยู่ภิกษุเหล่าใดยังเป็นเศษขะายังไม่บรรลุอรหันต์เห็นไหม ถ้าพูดเกินตรงอยู่ยอย่างเราเราถอยล่นมาภิกษุเหล่าใดภิกษุณีเหล่าใดอุบาสกเหล่าใดอุบาสิกาเหล่าใดที่ยังเป็นปุถุชนยังไม่ได้เป็นพระเสขะก็ให้เจริญอาณาปณสตินี่แหละให้มากนี่พุทธพจน์ถ้าใครเป็นพระเสขะแล้วเป็นพระโสดาบันแล้วถ้าปรารถนาจะบรรลุปเป็นพระสกท า, าคาก็ให้เจริญอาณาปณสติสมาธินี่แหละให้มาก ถ้าใครเป็นพระสะกท า, าคาปรารถนาจะเป็นพระอนาคาก็ให้เจริญอาณาปณสติสมาธินี่แหละให้มากถ้าใครเป็นพระอนาคาปรารถนาจะบรรลุเป็นพระลรหันก็ให้เจริญอาณาปณสติสมาธินี่แหละให้มากเอาละสีเนีย่ยเพิ่โเติมอีกแล้ว <c oughs> เอาปรารถนาจะเป็นบุตรชน <c oughs> อยากจะเป็นพระอริยะก็ให <c oughs> ้เจริญอาณาปณ เอาเป็นพระโสดาบันอยากจะเป็นพระสกท า, าคาก็ให้เจริญอาณาบารณะเป็นพระสกท า, าคาปรารถนาจะเป็นพระนาคาก็เจริญอาณาบรรณะสติเป็นพระนาคาอยากบรรลุปเป็นพระอรหันต์ก็ให้เจริญอาณาปรรณะสติสมาธิระวังไงใช่ภาคบังคับไหมอ๋อไม่เป็นไรตรงนั้นเนี่ยอันนั้นตอนนั้นรายละเอียดเดี๋ยวสอบถามครูบาอาจารย์ได้ไม่ยาก อันนั้นเดี๋ยถามเป็นการส่วนตัวไม่ยากไม่ยากอันนี้กําลังหลักการว่าเอออานาปนะเนี่ยประเด็นคือว่าเ อ, อินดีจริงหรือไม่ดีตรงนเนี้ยเนี่ยกลังคุยกันแล้วอนาปนสตินควรเจริญหรือไม่ควรเจริญเออพูดตรงนี้ให้ชัดลงไปก่อนใช่ไหมอามาก็เลยเอา้าอามาไม่นําเสนอความเห็นของตนเองหรอกอามาเอาพทธเจ้าตั้งไว้แล้วก็ถามพรธเจ้ากันเลยเมื่อพรธเจ้าบอกอย่างนี้ ใครจะคิดต่างก็เรื่องของคนนั้นนะึงอย่ามาไม่กล้าคิดต่างไม่กล้าคิดต่างทีนี้ทีนี้บอกว่าปราถนาถ้าเธอปราถนาภาวะที่ปลอดโปร่งโล่งใจจากกิเลส อันยอดเยี่ยมอาณาปณะสติสมาธิพี่ภิกษุเจริญแล้วก็ทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายอาทีถ้าปรารถนาถ้าปรารถนาจะหมดกิเลสคือราคะต้องการหมดกิเลสคือโทสะต้องการหมดกิเลสคือโมหะก็ให้เจริญอาณาปณะสติสมาธินี่แหละเห็นไหมนี่นี่หมายความว่า ตั้งแต่เป็นปุโรชนอยากเป็นพระเสกขาทั้งเป็นพระเสกขาอยากเป็นพระลรหันต้องการจะเอากิเลสให้หมดจากใจก็ให้เจริญอาณาปานสติสมาธิแล้วต่อไปอีกนะโยมนะถ้าเธอเป็นพระลรหันแล้วอันนี้หมายถึงจบกิจพรหมจรรย์แล้วไม่ต้องทำกิจอย่างอื่นแล้วนะสิ้นอาสวะแล้วอาณาปานสติสมาธิ ที่ภิกษุจเจริญแล้วกระทำไม่มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่สุขสบายในปัจจุบันเอาสิขนาดว่าจบเป็นพระอรหันต์แล้วยังต้องให้จเจริญอาณาปณสติเพื่อจะได้พักผ่อนเห็นไหมยามท่านหลีกเล้นเนี่ยท่านก็อยู่ในอานณาปณสติสมาธินั้นได้พักผ่อนไหมท่านจะหลีกเล้นพักผ่อนกันเป็นแทวออกมา หน้าตาก็ฟ่องใสผิวพรรณก็ฟ่องใสเพราะท่านได้พักได้พักที่สบายที่สุดเป็นทิฏฐาธรรมะสุขาวิหารธรรมและก็เป็นไปเพื่อสติและสัมปชัญญะที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้จบประเด็นที่ยอมถามแล้วนะเออจบประเด็นแล้วเอาต่อไป อา้าดูพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องของท่านต่อพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ในกรีสั่งยุธว่าภิกษุทั้งหลายดังที่เคยมาเรานั้นเน่ะเมื่อก่อนเมื่อก่อนสำโพธิคำว่าเมื่อก่อนที่จัดได้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อยังไม่ตัดสู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ นีท่านที่เป็นพระโพธิสัตว์อยู่นี่ว่าอัตภาพเดไหนก็แล้วแต่นี่นะที่ท่านยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่เอาปัจจุบันชาตินี้ก็ได้และชาติที่ผ่านมาไม่รู้กี่ล้านล้อัตภาพที่ท่านยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ท่านก็อยู่ด้วยวิหารธรรมคืออะไรอานาบานาสติสมาธิไปอยู่ในคัมภีร์สังยุตตะนิกลายมหาวรคไปเปิดดูนี่เป็นพุทธพจน์ท่านเล่าตัวท่านเอง ว่าเนี่ยก่อนตัดสรูตอนเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยถามว่าท่านจเจริญกรรมฐานอะไรตอนนั้นยังโอ้โูหบำเพ็ญบา ร, รมีมาอย่างยิ่งยวดเลยถ้าตอนที่ท่านจเจริญสมถกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานท่านจเจริญอะไรท่านบอกนี่แหละอนาปนาสติสมาธิเราก็อยู่ในวิหารธรรมอันนี้แหละคืออานาปนาสติสมาธิเป็นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าใช้สอนสาวกพระพุทธเจ้าใช้สอเนสอเป็นส่วนมากเป็นส่วนมาก เพราะเป็นประธานกัประธานเมื่อเรานี้นะอยู่ในวิหารธรรมอันนี้แล้วเนี่ยนะเมื่อเราเนี่ยอยู่ด้วยอาณาปนานสติสมาธิแล้วกายก็ไม่เมื่อยกายก็ไม่เหนื่อยตาก็ไม่เมื่อยทีนี้พระุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าเธอปรารถนาถ้าพวกเธอนี่นนะปรารถนากายของเราจะได้ไม่เหนื่อยกายของเราจะได้ไม่เมื่อยตาก็จะ ไ, ไม่เหนื่อย ตาไม่แดงไม่ล้าเส้นเอ็นทั้งหลายร่างกายทั้งหลายก็จะได้ผ่อนคลายเนี่ยเธอก็ควรจับเจริญอาณาปณสติสมาธินี่แหละให้มากนี่บอกสำหรับคนชอบขี้เมื่อยทั้งหลายนี่นะปวดเมื่อยบ่อยๆนั่งที่ไหนก็รู้สึกทุกบ่อยๆเดี๋ยวก็เจ็บหลังปวดหลังเส้นเอ็ตึงอะไรเนี่ยนะให้เจริญอาณาปณสติสมาธินี่แหละให้มากแล้วอาการเหล่านี้จะหายไป แต่ไม่ใช่ไปนั่งเว้หลับหลับตื่นตื่นฟุ้งฟุ้งแล้วทำไมไม่เป็นอันนี้แสดงว่าเรายังเข้าไม่ได้นะเราไม่ได้เข้าสงบในอนาปนสติสมาธินี่เพราะฉะนั้นแลภิกษุหากเธอภิกษุหวังว่ากายของเราก็ไม่พึงเมื่อยตาก็ไม่เหนื่อยเนะจิตของเราจะได้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายมีอาสวะเป็นต้นเธอทั้งหลายก็พึงมานาิการอานาปนสติสมาธินี่แหละให้มาก เอาละเนี่ยจริงๆออกมาจะพาให้พวกเราปฏิบัตินะเนี่ยนี่เดี๋ยวจะหมดเวลาหมดเวลาอะไรพอได้ยั ง, ย ง, งงั้นรีบนั่งเดี๋ยวโอ้ไม่ได้เลยเออกมาเลยเลยตั้งใจเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ย ว, ม, ยวามาเสียคำพูดเดี๋ยวนั่งกรรมฐานนิดี้กว่าเดี๋ยวก็ที่จริงๆออมาจะพานั่งกรรมฐาน ยอมถามยาวเลยเอ่อ ด, ดีดีเพือนอ่ะตั้งใจนั่งนั่งขาเรียงนะเรียงขาจะจะส่วดวกกว่าถ้าด้านหลังเนี่ยมีอะไรขึ้นมาลองให้สูงๆ ง, งน่อยจะจะดีนะถ้าบางคนก็ไม่เป็นไรอ่ะปรับร่างกายอย่างที่ว่าไว้ทั้งหมด <c oughs> ที่ว่าไว้ครั้งก่อนน่นนะตั้งแต่ศรีรษะจะดเท้าให้ร่างกายค่อนคลายที่สุดเนะย าการเจรานาณาปนาสติสมาธิเนี่ยจิตต้องนะจิตใจต้องผ่อนคลายนะกายต้องต้องผ่อนคลายร่างกายทั้งหมดก่อนที่สาคัญทุกครั้งต้องทำอย่างนี้ก่อนจะนั่งกรรมฐานทุกครั้งอย่ารีบนั่งรีบนั่งต้องให้ร่างกายเนี่ยโฟลทุกจุดแล้วก็ใช้สติใช้สมาธิค่อยๆไล่ตั้งแต่ศีษะลงมา ตรวจสอบว่าตรงไหนมันตึงก็คลายคลายคลายคลายคลายทั้งหมดคลายทั้งหมดอย่านั่งอย่างนี้นะอย่างเงี้ยอย่างเี้เสียเสียหลักเลยเนะี่ยเนี่ยอย่างงี้เดียให้นั่งตัวตรงตรงไม่ใช่ตรงแบบเกรงนะถ้าเกรงนี้จะปวดหมดเลยให้เกรงเ อ, อให้ให้นั่งตัวตรงแบบท่าที่สบายสบายเนี่ยให้ท่าที่ผ่อนคลายที่สุด เอาแล้วปรับทุกอย่างได้แล้วร่างกายแล้วก็ปรับทังด้านจิตใจวางทุกอย่างเลยนะให้สมาทานว่าขาราพเจ้าจากปฏิบัติบูบชาพระพุทธเจ้าออกรรมฐานนี้เป็นกรรมฐานที่เป็นประธานเป็นกรรมฐานหลักเป็นกรรมฐานที่เป็นรออปรธรรมเครื่องอยู่ของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมเครื่องอยู่ของพระอริยะ เป็นธรรมเครื่องอยู่ของผู้ประพฤติพรหมจรรย์ข้าพเจ้าก็เป็นผู้หนึ่งในการประพฤติพรหมจรรย์ข้าพเจ้าก็จะเข้าเจริญอาณาปณสติและอยู่ในวิหารธรรมเหล่านี้ให้ได้ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าตั้งใจดีในการประพฤติปฏิบัติเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้กระแสชีวิตของข้าพเจ้า ในการกระทาในการเจริญอาณาพันสตินี่จงสมารธิผลด้วยเถิดเนื้อตั้งใจให้จิตใจชื่นบานนี้ก็ทาเลยนะแล้วก็ค่อยดูนะใช้สติในการกําหนดนะดลูลมหายใจเป็นปกตินะอย่าไปฝืนหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าขณะนี้หายใจเข้าก็รู้ว่าเข้าขณะนี้หายใจออกก็รู้ว่าออกไม่ต้องตามลมนะ หายใจเข้าก็รู้ว่าเข้าหายใจออกก็รู้ว่าออกให้ดูอยู่ที่ริมผิปากหรือปลายจมูกที่ลมนั้นกระทบเข้ากระทบออกต้องตั้งจิตให้อาหานให้ล่าเลิงนะอย่าหลับถ้าหลับนะั้นไม่เรียกว่าเจริญานาปนสติไม่เรียกว่าพักอยู่ในวิหารธรรมแล้วอย่าฟุ้งพยายาม วางใจให้สบายให้ผ่องใสเดี๋ยวมันจะเคยนะบางคนนั่งปุ๊บหลับนั่งปุ๊บหลับนี่จะเคยนะนะต้องแก้ไขต้องแก้ไขถ้าหากว่าใหม่ๆมันฟุง้งหรือมันจะเผลอหลับให้นับหายใจเข้าให้รู้ว่าเข้าออกให้รู้ว่าออกแล้วก็นับหนึ่งเข้าออกนับ สองนะถ้าใครรู้มันจะเป็นคนเผลอลุ่มที่ลมหายใจจะหายง่ายง่ายให้นับให้ใช้สตินะเพิ่มกำลังสติให้ดูเข้ารู้เข้ารู้ออกไปนะให้นับไปจนถึง8ดไม่เกิน10จะกลับมาเริ่มนับใหม่เอาละตอนนี้จะหยุดเสียงให้พวกเราตั้งใจทํากันให้ตั้งใจทํานะ ตั้งใจว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาเคารพพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนะเป็นการเคารพเป็นการนอบน้อมพระพุทธเจ้าโดยการผู้พิสูปฏิบัตินี่เป็นปฏิปติบูชานะนะเป็นการปฏิบัติบูชาตั้งใจอย่าให้ความเผลอเลยเกิดขึ้นถ้าเผลอก็ตั้งความรู้สึกใหม่อย่างหงุดหงิดนดนะปล่อยใจให้มีความรู้สึกผ่อนคลายที่สุด เป็นการพักที่ดีที่สุดนะสะดวกที่สุด หมดเวลาแล้วเอาอยู่หมดหมดเวลานะ <c oughs> เดี๋ยวไว้ไปต่อช่วงหลังเนาะอ่ะได้พักฝันะ